ก็ต่อไปก็อะไรสัพพะโลเกอณพิรตสัญญาเนี่ยนะเมื่อภิกษุผู้มีใจอบรมแล้วด้วยสําคัญว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงเนี่ยว่าโลกทั้งปวงนี่ไม่น่ายินดีเนี่ยนะคือว่าโลกเมื่อโลกทั้งปวงไม่น่ายินดีไม่ดีอย่างไรเนี่ยนะก็คิดดูว่าภาระของการสิ่งของหนึ่งชิ้นเนี่ยนะกว่าทุกอย่างเลยเนี่ยโลกค่อยๆเก็บมาคิดนะกว่าจะได้สิ่งหนึ่งมาเนี่ยนะมาด้วยความง่ายไหม อะไรก็ตามที่กว่าจะได้มาแม่เสื้อผ้าจะได้มาแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นได้มายากไหมหรือได้มาแบบง่ายๆถ้าได้มาแล้วดูแลรักษาต้องซักเป็นต้นเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งอาหารการเป็นอยู่การเลี้ยงชีพการครองชีพเป็นต้นกว่าจะได้มาแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งได้มาด้วยความเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนอ่านะนคือเรว่อทุกในการสแสวงหาแล้วก็ต่อไปก็ทุกในการรักษาเนี่ยนะการดูแลปกปักรักษาแล้วโดยมากรักษาแล้วประสบความสําเร็จไหม นะนะร่าร้อนเดือดร้อนในการปกปักรักษาข้าวของพันพันลุงเรืองในสมมติว่ากว่าจะได้ไร่มา5สมมุตินะได้มาร้อยไร่เนี่ยกว่าจะได้ไร่มานี่ง่ายไหมต่อไปเนี่ยกว่าไอซื้อไร่เนี่ยมันก็กว่าจะได้มาแต่ละไร่เนี่ยมันก็ยากไปแล้วละ่ะนี่ได้ไร่แล้วเพราะปลูกเอ้าเด่น คือว่าจอกค่อยๆขุดไปทีละไร่ทีละไร่กว่าจะเพาะกว่าจะปลูกไอ้ปลูกนี่มันก็ยากปลูกแล้วมันรอดเนี่ยมันก็ยากแล้วดูแลรดน้ำปรวนดินใส่ปุ๊ยเป็นภาระมากแต่พูดอย่างนี้จะคิดว่าโรงเรือนจะเบื่อง่ายๆนะบอกอยากเหมือนกันนั่นเอาแต่นี้เล่าให้ฟังให้เฉยๆหรอกเหมือนกันคือคือมันก็เป็นอย่างนี้ว่าคือว่าดูแลก็ยากะนะดูแลก็ยิ่งยากกว่าสแสวงหาทีนี้ทุกชิ้นทุกชิ้นทุกชิ้นถามว่มามหาภาระขนาดไหนเอา มหาภาระบอกแม่มันก็ว่าพอพูดอย่างนี้ปั๊บแม่มันมีข้อดีตั้งเยอะนะอะไรเงี้ยพอมองเห็นปั๊บตีมาเป็นตัวเลขมูลค่าเท่านั้นเท่านี้ปั๊บนียยินต่อโอ้มันไม่ใช่ธรรมดานะมันราคาเยอะนะมันของดีนะของแพงนะกําไรทั้งนั้นแต่ตัวเนี่ยทนได้ใช่ไหมเหนื่อยขนาดไหนก็ทนได้เสมอเนี่ยนะเพื่ออะไรเพื่อกว่าจะได้มีสิ่งนี้แต่ถ้ามองสิ่งที่ตรงกันข้ามมองทั้งความน่า ย, ยินดีว่ามันน่า ย, ยินดีแค่ไหนแล้วพิษภัยทุกโทษ ถามว่าถ้าเราปล่อยจิตไปกับสิ่งเหล่านี้จนตายอะไรจะเกิดขึ้นก็อย่างที่กล่าวบอกว่าอ้าวเนี่ยสแสวงหากว่าจะได้บ้านมาหลังหนึ่งทำมันแทบเป็นแทบตายจนได้บ้านมาหลังหนึ่งเอาไหมคิดถึงบ้านแล้วก็ตายจากโลกนี้คืนสุดท้ายก่อนจุติเนี่ยนะคิดถึงแต่บ้านมีบ้านเป็นอารมณ์แล้วตายไปบอกทําทุกอย่างเพื่อให้มีเงินใช่ไหมจิตก่อนตายก็มีเงินเป็นอารมณ์าไหม มีแบงค์เป็นอารมณ์เนี่ยอ้าวก็ทำทุกอย่างเพื่อให้มีเงินเนี่ยนะบอกว่าสมมติว่าเอาทําทุก mmm, อย่างเพื่อให้มีเสื้อผ้าอยากได้ชุดและเกินไผ้าไหมเป็นต้นเนี่ยนะผ้าพื้นผ้าแบบนี้ผ้าแบบนั้นเอาไม่มีชุดนั้นแหละเป็นอารมณ์ทําทุกอย่างเพื่อให้ได้นาฬิกาแล้วคิดถึงนาฬิกาแล้วก็ตายเงี้ยนะทำทุกอย่างเพื่อให้มีแว่นตาเนี่ยมีแว่นตาแล้วก็ตายคิดทุกอย่างเพื่อให้มีบุตรภรรยาเอาไม่มีบุตรและภรยาสามีเป็นต้นเป็นอารมณ์แล้ว ตายเนี่ยนะหรือไม่ก็ ท, <ำ availability>ทําทุกอย่างเพื tills tills ่อให้มีท <tar> ี่ดินแล้วก็มีที่ดินเป็นอารมณ์แล้วก็ตายทําทุกอย่างเพื่อให้มีบ่อน้ํามีสระน้ำขึ้นถึงสระน้ําแล้วก็ตายทําทุกอย่างเพื่อให้มีปลามาเลี้ยงสักตัวหนึ่งมีปลาเป็นอารมณ์แล้วก็ตายทําทุกอย่างเพื่อจะได้สุนัขพันธุ์ที่ตัวเองชอบมาเลี้ยงและมีสุนัขและเป็นอารมณ์แล้วตายเนี่ยนะคือทําทุกอย่างสิ่งที่เราแสวงหาจริงๆแล้วเราอยากได้จริงหรือไม่มีจิตมีสิ่งนี้เป็นอารมณ์แล้วพบหมายเอาหรือไม่เป็นต้นเนี่ยนะ พระองค์ก็บอกว่ามันจะน่าเบื่อหน่ายในโลกก็ต้องมาคิดว่าถ้าเราชื่นชมในโลกมากๆนะัก็เท่ากับชื่นชมดินชื่นชมน้ำชื่นชมลมชื่นชมไฟถ้าเพลิดเพลินชื่นชมในสิ่งเหล่านี้มากๆกาไรมันคืออะไรไวความเพลิดเพลินเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกปริเทวทุกโทมนัตเล อุปายาตวัตถุทุก็จะไพ่บูนบริบูรนกว้างขวางด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าอาณาจักรแห่งสังสารัทุกก็จะขยายเพิ่มเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยใช่ไนะอาณาจักรแห่งน้ําตาก็เพิ่มขึ้นเนี่ยนะอาณาจักรแห่งเลือดเนี่ยนะเลือดเขรว่าเลือดเนะื้อโศกกองทุกข์ทั้งหลายก็จะขยายไม่มีจบมีสิน้นตรงกันข้ามถ้าจิตมันหดจากรูปน้อมไปเพื่อตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับรูปจิตหดจากเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะ หดจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็น้อมไปเพื่อความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดเนี่ยนะเมื่อความเพลิเพลดเพลินดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับภพบก็ดับถ้าภพดับชาติก็ดับถ้าชาติดับชรามนนาโศกปริเทวะทุกโทมนันสและอุปาญาตก็ดับทีนี้เราก็ถามใจว่าเราจะเลือกเดินสายไหน น, น, นะสายพยามารแนะนําในสูตรก่อนว่ามารเขไปแนะนําพระพุทธเจ้าเห็นไหมจะเลือกเดินสายมารหรือสายพุทธคำว่างั้นเหรนี สายพูดคืออสายมารคือพเพลินให้มากชื่นชมให้มากบริโภคเยอะๆเป็นต้นเนี่ยนะอันนั่นแหละแบบนั้นติดให้มากๆคล่องให้มากๆเกาะให้มากๆเนี่ยนะห่วงให้มากๆเป็นตน้นถ้าเป็นสายพระพุทธเจ้าคนนี้ทุกเนีนะนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเนี่ยนะเส้นทางของมารจบลงที่ไหนเส้นทางของพระพุทธเจ้าเนี่ยจบลงที่ไหนเราก็เลือกเอาเลือกเดินสายใคร ก็บอกว่าเหยียบเรือ2แคมเข้ามาเดินทางทิ้งเหยียบเรือ2ลำอะไอย่างเงี้ยถ้าอย่างงี้ก็พิจารณาเอากันแล้วกันว่าจะไปได้ยาวขนาดไหนเนี่ยนะพอไปไปมาเขบอกว่าเอ้าก็เดินเรียกว่าอะไรนะก็คือขึ้นเรียกว่าเหยียบเรือสองแคมก็หมายความว่าเรือสองลำเนี่ยนะเหยียบข้างข้างหนึ่งขาข้างหนึ่งเหยียบอีกข้างหนึ่งไปเรื่อยๆแล้วมันเรือมันกลับทิศกันเอาอีกฝ่ายหนึ่งไปเหนืออีกฝ่ายหนึ่งไปใต้เลยจะไปยังไงเนี่ย ก็บอกอ้าวแต่ว่าถ้าคิดอีกในหนึ่งอะนะเขบอกว่าประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งถึงวันนี้จะละยังไม่ได้แต่ก็วางใจว่าวางแผนโครงการน้อมไปเพื่อการละเนี่ยนะก็เหมือนเราเป็นหวัดเนี่ยถามว่าชอบจะเป็นหวัดตลอดไปไหมเราป่วยเราอยากกระป่วยตลอดไปไหมก็มีการวางแผนเพื่อการรักษาในระยะยาวว่าจะได้หายป่วยจริงอยู่วันนี้เรายังติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสแต่จะไม่ติดอย่างนี้ตลอดไปหรอกเนี่ยนะ แต่ก็ตั้งใจให้มันดีๆนะมาไม่ติดจริงๆนะไม่ใช่หลอกตัวเองให้ติดต่อไปเนี่ยนะมันก็ติดต่อไปเหอะเดี๋ยวเราก็ละได้สักวันหนึ่งอะนะที่จะละจริงๆหรือว่าหลอกตัวเองเนะี่ยก็ต้องทับทวนให้มันดีๆเนี่ยนะนะเพราะว่าเรื่องของการพิจารณาใคร่ครวนสอบสวนทบทวนให้มันดีๆทั้งหมดนั่นแหละ และอันสุดท้ายเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสอนว่าพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายว่าไม่เที่ยงสัพพะสังขาเรสุอนิจสัญญาใส่ใจว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเนี่ยนะสิ่งใดไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะ สิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปร ه, ปลวนไปเป็นธรรมดาเป็นของที่ตั้งไม่ตั้งมั่นเป็นของที่หวั่นไหวเป็นของที่เล็กน้อยเนี่ยนะเป็นของที่ปนไปด้วยความตายเป็นของที่มีความแตกทำลายผุพังเป็นธรรมดาเป็นต้นเนี่ยนะเมื่อใส่ใจว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะอันปัจจัยปรุงแต่งกว่าจะก่อร่างสร้างสำเร็จแต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้จีรังยั่งยืนมั่นคงถาวรเลยเนี่ย น, ะนะก็เลยคิด่าว่าสมมติ เคยดูสารคดีเรื่องหนึ่งที่ต่างประเทศนะนะแผ่นดินมันไหวเมื่อแผ่นดินไหวเข้าเนี่ยโอ้ทางด่วนในทางด่วนก็นมีอยู่สองสาชั้นเนี่ยนะมันก็ตกกระแทกกระแทกกระแทกลงมาเนี่ยนะแล้วก็ไอ้บ้านที่ดินเนี่ยมันยุบเป็นต้นเนี่ยนะก็ดูว่าเออสังขารทั้งหลายมันไม่ได้เที่ยงแท้เรามองเห็นตึกปรามบ้านช่องโอ้ใหญ่โต น, นี่ยอย่าคิดว่ามันจะมั่นคงถาวร น, นะเนี่ยนะถ้าถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยวัตถุภายนอกถ้าเทียบกับกายภายในเอาอันไหนเที่ยงกักน บางคนหนะ้าอายุหกเจ็ดสิบยังเดินปลอเลยรถท่ายุหกเจ็ดสิบปีนะเครื่องเก่าไม่เปลี่ยนอะไรเลยเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงนะอ่นนะนะเสื้อผ้าเนี่ยนะอย่าบอกว่ามันสวยเหลือเกินถ้าเทียบกับกายแล้วอายุมันห่างกันเยอะมากกายนี่มันทนกว่าอย่างอื่นทั้งหมดเช่อสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีอายุทนกว่ายัางอื่นทั้งหมดเครื่องบินเนี่ยนะอายุเท่าเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงอนะ่ะอายุเท่าลุงเรืองนะไม่ใช่การมานะ ถ้าเราเท่าเส้นเท่ากับป้าๆทั้งหลายเนี่ยจะเป็นยังไงใช่ไหมรถทั้งหลายแหมรุ่นสมัยนั้นบอกอุ๊ยสมัยวัยรุ่นนะรถนี้ฮิตติ ด, ตดอันดับที่สุดเลยถ้าเราลองเอาคันนั้นมาวิ่งตอนนี้ไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะไม่เปลี่ยนไม่อะไรทั้งนั้นถามว่ามันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นไม่ได้จีดังยัง่งยืนเลยเสื้อผ้าชุดที่ว่าสวยเหมือนกับเพลกลิกเกโบราณ น, นะนะเอามาใส่ตอนนี้จะเป็นยังไงเอา มันก็ไม่ได้งดงามอะไรหรอกว่าสิ่งทั้งหลายรสนิยมทั้งหลายมันก็เปลี่ยนแปลงสังขารทั้งหลายมันไม่ได้จีรังยั่งยืนบอกแม้ได้บ้านสวยที่สุดเมื่อ80สิปีที่แล้วมาใช้ตอนนี้จะเป็นยังไงเพราะสิ่งทั้งหลายมันก็มันก็เป็นไปตามยุคตามสมัยอย่าไปคิดว่ามันจะจีรังยัง่งยืนสิ่งใดที่มันดูนจะดีมีค่ามันก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันก็มีความหมุนเวียนเปลี่ย น, ยนกันไปถ้าใจที่พิจารณาโดยสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงตรงนี้พระ อ, องค์บอกว่า จิตก็จะไม่มีความโลภในลาบและสการะก็คิดบ่อยๆอย่างโอ้เนี่ยดีใจเหลือเกินคนนั้นเอาดอกไม้มาให้เราคนนี้เอาดอกไม้มาให้เราใช่ขาเข้ามาเข้าเอามาเนี่ยนะเขาให้ดอกไม้เราแต่เรานี่ต้องเอาขยะไปทิ้ง ม, มันก็กลายมาเป็นขยะเนี่ยน ะ, ะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงก็เชื่อเฮ้อเนี่ยนะเขายังไม่เดินกลับมันก็เฉาแล้วเนี่ยนะแล้วก็เขาเอาดอกไม้ที่งดงามมาเราก็ได้เอาขยะไปทิ้งเนี่ยนะก็ คือคือถ้าสายใจถึงว่าความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านี้บ่อยๆถ้าอย่างอาหารเนี่ยสมมติว่าโอ้ยวันพระก็ยอมพระเอาอาหารไปวัดเนี่ยไปเยอะกันมากเลยนะยมขามาเอาอาหารหอมๆมาแต่ว่าพระนี่ต้องเอาขยะไปทิ้งใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นขยะเป็นอาหารที่บูดเป็นอะไรเป็นต้นเน่ยนะเพราะฉะนั้นถามว่าเออมันก็ใส่ใจแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆจิตมันก็จะเห็นโทษในลาบสการะเนี่ยนะก็จะเห็นโทษว่าเออมีสิ่งเหล่านี้ มีเอาไปทําไมนีนะก็อย่างที่กล่าวแม้ทําทุกอย่างสแสวงหาทุกอย่างเพื่อให้มีสิ่งเหล่านี้เอามีสิ่งเหล่านี้แล้วมีใจเกาะอันนี้เป็นอารมณ์แล้วเกิดที่ไหนดีก็อย่างว่าเราอย่างว่าทุกว่าอย่างคิดง่ายๆายเลยทุกคนทําเพื่อเงินเงื่อนไขทุกอย่างอยู่ที่เงินทั้งหมดเนี่ยนะเอ า, าให้มีเงินเป็นอารมณ์เงืนเงินเงินเงินเงินเนี่ยนะให้ใครมาท่องให้ฟังก่อนตายเนี่ยนะเอาไหมาเอากระทำทุกอย่างบวกลบคูณหาร ก, กาไรขาดทุนเงินทั้งนั้นเนี่ยตัวเลขกองเงินทั้งนั้นทีนี้เอามีมีเงินเป็นอารมณ์แล้วก่อนตาย วันๆหนึ่งพูดถึงแต่เงินแล้วถามมันจะคิดถึงพระพุทธเจ้าก่อนตายได้หรอเนี่ยนะก็มาเลือกเอาว่าระหว่างเงินกับพระพุทธเจ้าไหนจะคล่องในใจเรากว่ากันอย่างนี้นะเรื่องอะไรคล่องอะไรกันทําเป็นหัวเราะไปเรื่องๆทีนี้สรุปว่ามารก็ไม่ได้ช่องนะแต่มารก็คือมารมันยังเข้ามมนะไม่เลือกรางง่ายๆหรอกงานนี้ในข้อห้าร้อยหกสิบสี่ดูก่อนมารผู้มีบาป ครั้งนั้นแหลเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัจกุสันรพผู้เป็นพระอรหันตสัสมมาสัมพุทธเจ้าทรงครองสบองแล้วทรงถือบาตรจีวรมีท่านพระวิธุระวิธุระคือผู้มีปัญญานะก็เป็นอัครสาวกข้างขวาของพระพุทธเจ้าเป็นปัจฉาสมณะเสด็จเข้าไปสู่หมู่บ้านเพื่อบิิทบาทมารผู้มีบาป ครั้งนั้นทูสีมานเข้าสิงเด็กคนหนึ่งครั้งนี้สิงจริงครั้งก่อนๆนี่ยเขาเรียกว่าแสดงอารมณ์เฉยๆครั้งนี้เข้าสิงจริงอ่ะนะ้คนมันจะดิ้นรนจนตกนรกมันก็ทําจนตกได้จริงๆอ่ะนะดิ้นจนได้ตกจริงๆเลยแหละมานผู้มีบาปเด็กก็เข้าไปเออทูสีมานก็ไปสิงเด็กสิงเสร็จก็เอาจับเอาก้อนเห็นคว้างที่ศีรษะท่านพระวิทุระจนศีรษะแตกตาพระหัวแตกเลยนะ มารผู้มีบาปครั้งนั้นแหลท่านพระวิทุระศีรษะแตกเลือดก็ไหลเนี่ยนะโอ้ยเลือดมันไหลดีถ้าแบบช่วงซ้ายๆหน่อยบางทีเนี่ยนะถ้าแดดเจอแดดเข้าไปหน่อยเนี่เลือดไหลดีแท้เนี่ยนะครั้งก่อนครั้งก่อนเนีเคยไปเดินก็เรียกว่าเอาเอานักแข่งเนี่ยไปคูดกับเสี้นเท่านั้นเนี่โอ้ยเลือดไหลอาบเลยเนะี่ยนั้นก็เนี่ยเลือดมันก็ปกติมันก็ไหลถ้าเป็นแผลมก็ไหลนั่นแหะ ถ้าก็เลือดหลายเดินกันยังเดินไปวินธบาทอยู่นั่นแหละเดินตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากะกุกสันธาเนี่ยนะก็สมัยนั้นเป็นสมัยก่อนเนี่ยแค่มานะสมัยใหม่ก็เอาอีโต้ไปเลยใช่ไหมยีโต้ฟันก็ไปเลยฉับฉับฉับเข้าไปเ น, นี่ยนะแล้วก็บางทีก็บางทีนัก็ไม่ยีโต้หรอกบางทีก็รถเนี่ยติ๊กอัพมั่งรถเกง่งมั่งกระบามั่งชนโครมเข้าไปเนี่ยนะบางทีพระเดินวินทบาทเนี่ยมันจะว่าจะปลอดภัยนะบางทีบางทีก็ข่าวพระถูกรถชนตายเยอะเนี่ยนะ มันก่อนไปที่วัดเนี่ยลุงตาลุงตาองค์นั้นไปไหนบอกรถชนตายไปเรียบร้อยแล้วไปบินทบาทรถชนตายอย่างนั้นนะก็ที่เชียงใหม่ก็ไม่ใช่น้อยนะช่วงเช้าๆนี่ขับรถยังไงก็ระวังพระมั่งนึอนะบางทีก็จีวรของท่านบางทีถ้าออกแบบใช้สีใบไม้ด้วยบางคนมองไม่ก็เห็นบทีก็ต้องระวังระวังหน่อเนี่ยนะถ้าเช้ามืดก็อันตรายสายเข้ามาไหนก็ระวังเด็กนะก็ระวังพระมั่งระวังเด็กมั่งก็สรุปว่าต้องระวังตลอด เพราะว่าพระเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยถูกรถชนตายมีเยอะนะมีข่าวได้ยินมาเรื่อยๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าพระถูกงูกัดตายนี่ไม่เคยได้ยินเลยนะ นะถ้าพระจะเจริญเมตตาขอขอให้ทุกคนที่ขับรถมีความสุขมีความเกษตไม่ต้องเจริญให้งูเท่าไหร่แล้วใช่ไหมไม่ต้องหนักใจว่างูตระกูลวิรูปักะงูตระกูลกันหาโคตามากะฉับพญาปุตตะเป็นต้นไม่ต้องไปหนักใจขอให้คนขับรถเกง๋งมีความสุขมีอายุยืนเธอเนี่ยนะขอความเมตตาของเราจงมีกับคนขับรถนั่นเจริญให้มากมากๆ ม, ก ม, กมอย่างนั้นเดี๋ยวเพราะว่างูไม่ค่อยกัดตายแล้วในรถนจะชนตายเอาเนี่ยนะก็ต้องระวังเอานะจะได้เจริญเมตตาเยอะๆ